ก็ความเจริญในธรรมจะมีะท่านผู้ฟังท่านหลายระการใตร่มระพุทยญาณในวันนี้ก็คงนำเสนอประวัติของพระพุทธเจ้าในสมัยที่มีความคิดที่จะช่วยคนอื่นในหลุดพ้นจากความทุกข์โดยประกายของความคิดที่เกิดขึ้นในครั้งแรกกาเรียกว่า เป็นปฐมจิตตุปบาทการคือการที่จิตมันผุดขึ้นในครั้งแรกโดยต้องการที่จะช่วยตัวเองให้สัสรู้แล้วจะให้คนอื่นจะสรู้ตามประองค์ด้วยเป็นลักษณะความคิดที่ควรจะมองว่าลการของคุณระดับพระมหาสัตว์หรือพระโหธิสัตว์เนี่ย คือท่านคิดแล้วท่านทำแล้วจึงพูดอันนี้คือจุดที่จะต่างกันคือคนเราโดยมากแล้วก็คิดแล้วก็พูดเลยซึ่งบางเรื่องเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวการเมืองจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นแล้วผลท้ายทําไม่ได้ก็แก้ตัวกันไปเรื่อย แต่แนวของพระโพธิสัตว์นั้นท่านจะคิดแล้วก็ทําด้วยตัวเองซะก่อนเหมืนต้องพิสูจน์ทฤษฎีที่ตัวเองคิดก่อนแล้วก็ลงมือทําจนเกิดผลแล้วจึงนําหลักการวิธีการตรงนั้นและมาบอกกล่าวชี้แจงแก่บุคคลอื่นวันประโยคน์ลองสังเกตที่สมคิดบอกว่าเราจะสรุ้แล้วจะให้คนอื่นสรุปด้วย เ พ, เพราะองค์สามารถสัจสรู้ด้วยวิธีการอย่างไรแล้วเมื่อพระองค์ได้สัจสรู้แล้วก็จะนำวิธีการตรงนั้นแหละมาสั่งสอนบุคคลอื่นให้สัจสรู้ตามที่พระองค์สัจสรู้ด้วยมันลักษณะคล้ายๆกับทางจะลองสังเกตว่าเรามีทางที่จะไปตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นเราไปแล้วแล้วก็ เ, เป็นสิ่งเหล่านั้นด้วยตาตัวเองแล้ว แล้วก็มนบอกกล่าวชี้แนะให้คนอื่นเดินตามบนเส้นทางสายเดียวกันแล้วเขาก็จะเห็นอย่างที่เราเห็นเขาจะสัมผัสอย่างที่เราสัมผัสเขาจะรู้อย่างที่เรารู้คนคิดเช่นนี้คล้ายๆจะง่ายนะฮะแต่ลองสังเกตว่าคิดยากไอ้คิดนะพอไหวแต่ว่าทายากเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์เวลาได้อะไรขึ้นมาเนี่ย มันจะมองไปในวงแคบคือมองตัวเองกับพวกของตัวเองไว้ก่อนแล้วก็จะริษยาจะกีดกันบุคคลอื่นวพานันภาพของการยื้อแย่งการต่อสู้การปราดประหารการทำลายล้างกันถึงเกิดขึ้นเพราะว่าทางคนต่างก็ไม่ยอมเฉลีย่ยไปสิ่งที่ตัวเองได้นะเพื่อกลูแกลกันเลยกัน แต่เราก็ทําได้ระดับหนึ่งอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนระดับใกล้เคียงเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราทําได้แต่ก็มีคนบางคนทําไม่ได้เช่นสมมติว่าเนี่ยไปกินอะไรหรูหรามาเนี่ยติดมือติดไม้มาฝากลูกฝากเมียที่บ้านก็ยังไม่ได้แสดงว่าจิตใจแย่มากแต่เอาลูกเนี่ยไปได้ของอะไรมาจะมีอะไรติดไม้ติดมือมาฝากแม่ก็ไม่ได้ เห็นไหมควาจริงเรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายในภาคสนามแล้วค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าเราจะเห็นแก่ตัวมีความสนีแล้วการให้บางทีมันให้เหมือนก็ตกเปกเป็นการคาดหวังผลประโยชน์ต่างๆที่ตนจะได้วัฒนธรรมทางสังคมเราเป็นเรื่องที่อัตมาเองกงงๆมานานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจ วันเกิดผู้ใหญ่เราก็ไปให้ผู้ใหญ่วันเกิดเราเราก็ไปให้ผู้ใหญ่ป้าหาผู้ใหญ่ให้เราตรงไหนได้เป็นเรื่องแปลกเด็กเป็นสังคมที่เด็กเลี้ยงผู้ใหญ่แล้วพ้ใหญ่เองท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านมีอุปราคณอะไรกับเด็กคนเนี้ยทำไมเด็กคนนี้จึงต้องมาให้ท่าน และทําไมท่านต้องพยายามที่จะเอามาจากผู้น้อยเป็นสังคมที่ที่ที่คิดมานานแล้วนะฮะแม้ในวงการของพระเองเราก็ไม่เข้าใจรูปแบบพิตีกรรมต่างๆเพราะว่ามันไม่มปรากฏในหลักฐานระดับพระบาลีเช่นสมมติว่าเทศการข้าพรรษาเนี่ยผู้ม้อยอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไห น, ไหนก็บาตองถวายสักการะผู้ใหญ่ หนันทองค่ารถค่าอะไรต่ไรก็ไม่ค่อยมีก็ต้องหาต้องหยิบต้องยืมต้องขอญอาตโยมมาเพื่อจะมาถวายสกักการะผู้ใหญ่ลูกกองเป็นภูเขาโลกาแเสร็จแล้วท่านก็ เ, เด็กคนไปทิ้งซื้อกันเยอะนะราคาเยอะเลยอย่างดอกไม้ใส่ใจการปัจจุบันนี่สามร้อยนี่ไม่ถวายแล้วห้าร้อยเป็นพันพันกว่าแล้วก็ เวลาจะสืบษาลาเพศแรกอะไรก็เหมือนกันก็ไปถวายตรงนี้ก็มีเหตุมีผลนะเราต้องการลาท่านในกรณีที่เราอยู่ร่วมกันเป็นครูบาอาจารย์เป็นศิษย์กันก็ต้องการจะลาต้องไปลามาไหวแต่ตอนแรกไม่เข้าใจทีนี้ตอนวันเกิดท่านเรามาถวายสักการะเรามาให้ท่านวันเกิดเราเราไปให้ท่าน เออ น, นี่ชักจะไม่เคยเข้าใจวันเกิดท่านเราไปแสดงวุทิตาจิตอย่างพอทมเนาว์นะมันเกิดเราทําไมต้องไปหาท่านจนเกิดสับสนว่าผู้ใหญ่เป็นผู้รับผู้น้อยเป็นผู้ให้เป็นลักษณะของสังคมที่ค่อนข้างแปลกเกิดตามปกติเขาเรียกอุปการะปฏิการะในผู้ใหญ่จะต้องอุปการะผู้น้อย แต่ว่าสังคมเราส่วนใหญ่ถ้าลองสังเกต ด, ดูนะฮะพูดน้อยจะอุปการะผู้ใหญ่แล้วเวลาทำก็ทำตอบมันค่อยขั้นค่อนข้างปิดฝาปิดตัวคือผู้ใหญ่ที่เราไปดูแลจะใส่ท่านนะ่ะท่านก็ไม่ได้เคยมีอุปการอะไรไม่ใช่ทุกกรณีนะฮะมีหลายๆกรณี ถ้ า, าลองสังเกตให้ดีก็นึกไม่ออกว่าท่านเราเนี่ยเคยช่วยอะไรแกเราเคยสงเคราะอะไรเราเคยให้อะไรเราแต่ว่าในฐานะเป็นผู้น้อยก็ต้องไปให้มันก็กลายเป็นขาดลักษณะกิริยาปฏิกริยาซึ่งโดยพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันทำโดยพื้นฐานการุณาไม่ใช่ แต่ว่าผู้ใหญ่ไม่ใช่โรามองด้วยการุณารมองด้วยความนับถือแล้วก็ถ้ามีบุญกุลก็คือตอบแทนแต่บางทีมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกลายเป็นจจรีบกลายเป็นแบบแผนกลายเป็นเรื่องการพยายามแสวงหาผลประโยชน์ต่อกันเท่านั้นเองแต่วาแนวนี้ไม่ใช่แนวอย่างนั้นเป็นแนวที่ทำด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆ เรานึกถึงภาพที่เราเรียนในสมัยเป็นเด็กที่เล่าถึงานายทหารคนหนึ่งมาประทับใจตั้งแต่เป็นเด็กนะแต่ว่าก็เรื่องมันไม่ใช่หนังสือเราคือเราไปอ่านเาเจอเป็นหนังสือเรียนของเด็กนะแล่ข้อความก็สั้นๆเป็นใจความว่ามีคนอาศัยเรือโดยสารไปแต่เรือก็แตก เคยจมมานะฮะมีนายทหารคนหนึ่งก็แข็งแรงเขาไหว้ได้เร็วแล้วขึ้นทั้งฝั่งแต่พอขึ้นฝั่งเนี่ยหันกลับไปดูคนไหว้แล้วค่อยมีกําลังจะจมแล้วก็จมกําลังจมกลมเนี่ยมันขึ้นฝั่งไม่รอดเลยต้องย้อนกลับเข้าไปย้อนกลับไปออกในทะเลต่อแล้วนําไปไปช่วยคนขึ้นมาเท่าที่จะช่วยได้นะมันเป็นภาพชีวฝังใจอ่ตั้งแต่เป็นเด็ก เราอ่นและเาฝังใจว่เออมันชีวิตนี่มันยิ่งใหญ่จริงๆมันจะเป็นชีวิตที่น่าได้น่ามีน่าเป็น น, ป น, น่าทำจะทํำยังไงเราจะอยู่ในจุดได้จุดหนึ่งแล้วก็ไปช่วยเหลือสังคมได้อย่างนั้นคือในหนังสือเรียนสมัยเด็กนี่มันที่มีแรงบันดาลใจมันสูงมากแต่ว่าคนรุ่นใหม่ก็มองเป็นเรื่องเฉยนะเป็นเรื่องเฉยเป็นเรื่องร้าสมัยเป็นเรื่องไม่ทันสมัยไปก็ไม่รู้จะว่าอยงง่างไงเหมือนกัน เราเห็นว่าโครงสร้างตรงนี้เป็นโครงสร้างเดียวกันอย่างที่เล่าเรื่องพระโพธิสัตว์เป็นเกิดมาในครอบครัวยากจนเดินโดยโดยสารเรือไปกับแม่แล้วก็เรือเกิดอับปางในกลางทะเลตัวเองก็ให้แม่ขึ้นบ่าตัวเองแล้วก็นำว่ายน้ำขึ้นฝัง่งแล้วก็เห็นคนอื่นจมน้ำตายไป ค่อยๆจมไปกำลังจะหมดแรงภาพเหล่านี้มันเห็นตลอดแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยมันสุดวิสัยที่จะทำเพราะในความคิดที่จะช่วยเหลือบรรเทาทุกคนอื่นมันก็เกิดขึ้นแล้วก็เกิดใหญ่มากเกิดแบบสเพสตานะฮะเกิดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เจาะจงใครเลย ความคก็เกิดขึ้นในที่กล่าวว่าเมื่อเราตัสรู้เราตัดสู้แล้วจะให้ผู้อื่นตัดสู้ด้วยคือถือว่าอะไรล่ะมันมันมันทุกข์ในสังสารวัฏเนี่ยทุกข์ในการว่ายน้ําจมน้ําเนี่ยมันมันมนทุกข์สับนสัน้นแต่จริงๆแล้วการที่คนเหล่านั้นต้องมาจมน้ําเนี่ยพออเพราะเขาเกิดมาสํานวนทางศาสนามันมีสํานวนหนึ่งแล้วก็พระพุทธเจ้าประหารมรรคใช้ ท่านเรียกว่าทุกข์ของวัตตะเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมีการร่วมเกินต่อพระอระหันต์หรือว่าบางทีก็เล่นแรงนะมีอาจารย์เอาพัดไปตีเนนดีให้ตื่นไม่จะตีเจตนาร้ายนะเดี๋ยวมันไปเข้าตาเนนบอดเลบอดไปข้างอาจารย์ไม่ไเหต น, นะเนนเป็นพระอระหันต์ด้วย คือนัเนี่ยมันกําหนดเอาไว้ว่าเนนี่ยเป็นอนุปสมบันนะฮะเป็นพระรอรหนก็ตามก็ถือว่าผู้ไม่ได้บวชวันถ้าอยู่ร่วมกับพระในห้องเดียวกันถึงสามคืนเนี่ยเขาปรับประบัติเพอถึงคืนที่สี่เนี่ยคนใดคนหนึ่งต้องลุกขึ้นเถอะแต่เฉพาะยิง่งก็ลึกซึ้งตั้งแต่คืนที่สามนะฮะปลอดภัยดีก็ อ, อาจารย์ก็ที่จริงก็ไปเข้าใจว่าเนเนี่ยไม่ลุกขึ้น แต่ที่ยิเรนรู้ขึ้นแล้วเนไม่ได้นอนนฮะนั่งสมาธิอยู่ตรง น, นั้นเด็อาจารย์นั้นเป็นปุถุชนก็นอนหลับอุตุไปเลยพอตื่นขึ้นมาถึงก็ตกใจกลัวตัวเองจะต้องอาบัดก็เลยเอาพัดตีเรนทั้งที่เห็นนั่งอยู่นะฮะก็เนนตาบอดพอรุ่งขึ้นจริงๆเห็นเนทาหน้าที่แต่ว่ามือนหนึ่งก็จับที่ตาไว้ สักถานทราบความตกใจเลยอาจารย์เนี่ยอขอเข้ามาโทษลูกศิษย์ใหญ่เรีนบ่อยใจไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกมันเป็นโทษของวัฏฏะมันไม่ใช่ความผิดของอาจารย์หรอกเห็นไ้มว่าจริงๆเนี่ยการการันจมน้ําในทะเลมันเป็นโทษของวัฏฏะเฉยๆแต่ว่าเราก็แก้ไขไม่ได้หรอกสมมุติเราแก้ไขในชาตินี้ชาติต่อไปมันก็อาจจะจมอีกก็ได้แต่เราก็ตายแน่ เพราะนั้นก า, การแก้ไขจริงๆมันต้องแก้ไขเบ็ดเสร็จคือแก้ไขเด็ดขาดคือต้องไม่เกิดไม่เกิดก็คือไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องมีปัญหาอะไรคือตัดรากงาวเพราะนั้นความคิดนี่มันเป็นคิดแบบไม่ใช่ธรรมดาละคิดแบบพระพุทธเจ้าคิดแบบพระโพธิสัตว์ท่านคิดเราพ้นแล้วจะให้คนอื่นพ้นด้วย เป็นความคิดจกะกระจายว่ารบพ้นจากการจมน้ำในมหาสมุทรเนี่ยแล้วจะช่วยคนอื่นพ้นด้วยแต่ตรงนี้ของความคิดมันขยายไปว่าเราพ้นจากสั้งสาระทุกข์คือการหมุนวนในสังสาระทุกข์แล้วนี่จะช่วยคนอื่นให้พ้นด้วยแต่ทั้งสาระทุกข์มันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกิเลสเพราะถ้ายังมีกิเลสอยู่เราก็ไม่พ้นหรอกก็ต้องทุกข์อยู่ในระดับใดระดับหนึ่ง ดังนั้นคนที่จะพ้นจากสังสารทุกข์ได้ก็คือต้องจัตุรุเห็นไหมตัวหลักจริงๆก็คืออยู่ที่บรรทัดแรกแล้วเราข้าได้แล้วจะให้คนอื่นข้ามเลยด้วยคือข้าสังสารทุกข์วงน้ำคือกิเลสพวงน้าคือทุกข์วกน้าคือสงสารอะไรก็แล้วแต่จะเรียกกันนะก็เรียกกันได้หลายตอนเรียกเหตุก็ได้เรียกผลก็ได้ก็แทงกระชายทั้งสองแนว แล้วก็บทเรียนตรงนี้ก็ทําให้ท่านมานมํามารดารอดพ้นจากภัยอันตรายแล้วก็กลับมาสู่บ้านโดยความสวัสดีแต่ความปักใจที่เห็นคนจมในทะเลเ ย, ยังอยู่ก็เลยกลายเป็นความคิดฝันแล้วก็พยายามทําหน้าที่ของลูกที่ดีเลี้ยงดูมารดาบิดาจนตายไปและตัวเองก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ตอนนี้พูดแค่สวรรค์ น, นะฮะลองสังเกตว่ามันเป็นบุญญกกริยาระดับที่อุปถากรีงดูมารดาปิดาการเร่งดูมารดาปิดานั้นเป็นหลักการสําคัญอัตมาเองมองด้วยความเป็นห่วงแล้วตอนนี้ก็พยายามคุยกับเด็กเรื่อยเวลาไปอบรมเด็กเพราะเราเป็นห่วงความคิดของสังคมเดียวสังคมเดียวที่ปรากฏในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสหรัฐอเมริกาเรามักจะก๊อปปี้เข้ามาเยอะนะฮะ สังคมอเมริกาเป็นสังคมที่มีปัญหาเพราะเป็นสังคมเดียวคนแก่ถูกทอดทิ้งรอให้ว่าเวโดวดเดี่ยวเดียว ด, ยวดแล้วก็กลายเป็นวงจร ด, ดีไม่รู้จักจบคือพอแกแล้วก็ถูกทิ้งทุ่มเทชีวิตเลี้ยงดูลูกหลานกันเลี้ยงดูลูกกันนะแต่ความคิดตัวนี้มันแพร่ ห, หลายเข้ามาในสังคมไทย กลายเป็นครอบครัวเดียวนุ่งสาวพอจะแต่งงานก็สร้างเรือนหอละแต่งงานก็ขึ้นอยู่ที่เรือนหอเลยไม่ได้เคยศึกษาวิธีการครองเรือนวิธีปรนณีประนอมผ่อนปรนกันระหว่างกูสามีพัญญาแล้วพอมีปัญหาพอมีลูกมีเจ้าอา้าตัวเองก็เลี้ยงไม่ค่อยเป็นหรือว่าต้องทำงานทั้งสองคนเราก็จ้างคนใช้มาเลี้ยงไม่มีปัญหาเยอะแต่ว่าคนรุ่นใหม่ ไม่น้อยเลยนะฮะที่นิยมชมชอบชีวิตในแนวนี้เวลาตั้งคําถามว่าครอบครัวเนี่ยหมายความเป็นยังไงเก็บหมายความแค่พ่อแม่ลูกความและสยองนะฮะครอบครัวที่มีเฉพาะพ่อแม่ลูกนี่น่าสยองแล้วคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยาณยาอยู่ที่ไหนเดยเฉพาะที่มันเป็นสายตรงนะฮะคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยาณยาอยู่ที่ไหน ก็แสดงคนแก่ก็ถูกทอดทิ้งแล้วก็ลูกหลานเนี่ยคนอืึ่งก็เลี้ยงปัญหาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในข่าวเล็กๆแต่เป็นข่าวที่น่าคิดว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเรียนอนุบาลที่สหรัฐอเมริกาก็มาบอกครูอนุบาลว่าแม่หนูตายแล้วครูก็เข้าใจว่าเด็กพูดเล่นเด็กแช่งแม่ ก็ดูเอาเด็กเห็นครูลู ก, ก็ไม่พูดอีกก็เป็นนอนอยู่กับแม่นั่นแหละพอมีกลิ่นเหม็นออกมาแกก็าผาป่วยมาคลุมคลุมไปเรื่อยอ ย, อยู่ตั้งเจ็ดวันนะนะศกขึ้นอืดอลึิงจึงไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่เลิกกันแล้วก็ตาก็อยู่อีกรัฐหนึ่ง ตายาหอยู่อีกรัฐน่ฮะแล้วก็ย่ารนี้เราจะเอ็นว่าอย่ากระตาอาย่ากระปูเนี่ยมันขาดความสัมพันธ์กับหลานเป็นภาพที่เรานึกแล้วมันเควงมากหรือก็คนหนึ่งอันนี้เด็กผู้ชายแม่ตายเหมือนกันแกอยู่กสบแม่เดือนหนึ่งจนศบป่อยยุ่ยไปเลย ตาก็อยู่อีกรัฐหนึ่งปู่ก็บย่าไม่ได้ติดต่อกันพ่อไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเด็กก็กลัวว่าจะถูกไปอยู่บ้านของกรมของกรมประชาธิคการเลยกลัวยอมอยู่กระศบดีกว่าที่มันดีอย่างหนึ่งก็คือเด็กอเมริกาเนี่ยเขาไม่ค่อยกลัวผีนะถ้าว่าสังคมไทยเราก็คงจะยุ่งเหมือนกันนะแต่ก็นึกถึงมีข่าวอะไรที่ว่า เด็กนอนอยู่กับศพแม่เมื่อหลายปีที่แล้วเด็กไทยนะก็ยังไม่กลัวเหมือนกันแต่ประเด็น ท, ที่น่าคิดก็คือว่าสภาพการอย่าร้างสภาพสังคมเดี่ยวสภาพของบ้านแตกแล้วก็นำไปสู่ปัญหาอนเนกนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทอดทิ้งหลักการสำคัญในความเป็นครอบครัวพระเจ้าทรงแสดงธรรมะไว้กลุ่มหนึ่ง คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณไม่มีอะไรเลยแต่ขอสักสามอย่างได้ไหมงงก็ให้มีน้ําใจต่อกันก็เรียกว่าฐานมีน้ําใจต่อคนใกล้เคียงภายในครอบครัวเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงดูแลอนุสงเคราะห์อนุเคราะห์กันเพื่อเผื่อแผ่กันประการที่สองบุปการีคือมาตาปิตุอุปทานสรงใช้บ่อยที่สุดเลยมาตาปิตุอุปทานเนี่ยการอุปถานบำรุงเลี้ยงดูพ่อแม่ พ่อแม่เป็นเทพเจ้าเป็นพรหมเป็นพระอระหันต์เป็นปูชนียบุคคลเป็นมิตรพายในเรือนคือเป็นทุกอย่างของลกูกชั่ดีทีห่างอย่างไรก็คือพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูท่านยามชราราชการที่หกทรงมิพลว้เข้าใจว่าหนวิวาประสมุตดอ่านนานแล้วใคร เมื่อแกเฒ่าหวังเจ้าข้าวรับใช้เมื่อป่วยไข้หวังเจ้าข้ารักษาเมื่อยามจะต้องตายวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจนี่คือความปรารถนาของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ปรารถนาที่รับจากลูกเพียงสามอย่างเท่านั้นแต่ว่าที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเนี่ยจะทรงสั่งสอนห้าข้อให้ลูกมีจิตสุนึก แล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรให้ไก ล, ลวันนี้มาพยายามคุยกับเด็กพยายามตั้งปัญหาให้เด็กคิดแต่เราไม่อยากจะอธิบายคือเด็กคิดประการแรกถ้าพ่อแม่เขาแต่งงานกันแล้วไม่มีเราเนี่ยท่านอยู่ได้ไหมสองเราถ้าไม่มีพ่อแม่เกิดเนเราจะเกิดมาได้ไหมสามถ้าพ่อแม่เราไม่เป็นคนเนี่ยเราจะเกิดเป็นคนได้ไหม ให้ถามสามข้อกันนั้นเก๋คิดสามข้อให้คิดตัวเองเพราะว่าเด็กที่ไปบรรดารวมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ระดับมัธยมก็เรียกว่านานๆจะเจอหมหนึ่งส่วนมากก็มสามสี่ห้าหกนะฮะแล้วพวกอาชีวะพวกอะไรต่ออะไระอยู่เด็กระดับนั้นแล้วก็พยายามให้เก๋คิดในสามสามประโยชนง่ายๆแล้วในส่วนตัวเองก็ส่งสอนในรูปของบรรพชา คำบรรพชาในที่นี้ที่จริงหมายถึงเว้นบาปนะคือบวชกายก็ได้บวชใจก็ได้บวชทั้งกายทั้งใจก็ได้หรือบวชกายเฉยๆอยู่ที่บ้านนี่แหละแต่ว่างดเว้นความชั่วเขาเรียกว่าใจออกแต่กายไม่ออกหมาความม่าใจออกจากบาปแต่กายไม่ต้องออกก็ได้นะถ้าปฏิบัติได้ลึกซึ้งขึ้นเขาก็เรียกว่าคารวะสมนนุนีนักบวชที่อยู่ภายในบ้านมันไม่แปลกอะไรที่จริงธรรมะในภาคสนามนะ มันไม่จําเป็นจะต้องบวชหรอกเพราะการบวชโดยโครงสร้างของสังคมไทยนั้นเป็นการบวชเที่มมาเองอย่ามองว่าจะมีปัญหาในโอกาสต่อไปเนี่ยคือคนรุ่นใหม่จะไม่บวชอย่างคนรุ่นก่อนเพราะความจําเป็นที่จะต้องบวชนั้นมันหายไปเมื่อก่อนเรียกบวรียนศึกหาเนี่ยมันไม่มีแหล่งการศึกษาเรียนรู้จากที่อื่นเราก็ต้องบวชเข้ามาเล่าเรียนแล้วปัญหาสําคัญว่าคนที่เข้ามาบวเรียนก็คือครอบครัว มีปัญหาทางเศรษฐกษิจไม่สามารถจะศึกษาและเรียนในระบบการศาึกษาข้างนอกได้แต่เมื่อการสถ า, าพบังคับต่อไปมันขึ้นถึงมหกในความเป็นมหกนั้นเดงกมันก็แยกไปที่อาชีวะได้ตั้งแต่มสาก็แสดงว่าเด็กที่มีฐานะแม้จะยากจนสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ก็ศึกษาเรียนรู้ได้โดยไม่จาเป็นจะต้องบวชเป็นธรรมนเนน วัดนี่จะร้างเยอะจานวนพระภิกษุสามเณรจะลดน้อยลงนั่นคือปัญหาที่จะตามมาในโอกาสต่อไปและค่อนข้างแน่นอนนะฮะเพราะว่าสมัยจอมพลปคือสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยพยากรณ์เราตอนนั้นก็มีประมาณสิบแปดล้านแล้วก็มีพระภิกษุสามเณรก็ประมาณสามแสนกว่า เวลานี้รประชากร 61-62 ล้านไปแล้วเราก็มีประชากรเนี่ย3แสนกว่าๆประชากรสูงนะฮะพระพิสุ3เน่งก็3แสนกว่าๆและตัวเลขเปลี่ยนแปลงเร็วด้วยเพราะเป็นการบวชระยะสั้นมากอย่างที่วัดวอร์ในเรารรกเกณฑ์เลยนะฮะจะบวชก็บวชแต่ไม่ต้องไม่น้อยิไป15วันบวช15วันก็ลุยตะลุยสอนกันเลยอบรมกันเลยก็ทําเท่าที่ทําได้ เป็นภารกิจที่ทำไม่จบไม่สิน้นเพราะว่าโราในบทจังเลยปีหนึ่งเนี่ยหลายร้อยนะครับบางทีหลายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพันเลยเป็นรุ่นรุรุรุ่ น, น, น, น, น, น, นยาวตลอดเราก็สอนกันเนี่ยสิบองยี่สิบอง 20, สามสิบองห้าสาาิบองรอยองนะแต่วาอย่างเงี้ยเป็นหลักสูตรต่อสูตรก็ซ้ำซ้ำซากๆมันไม่ค่อยอยู่อะ พลันปัญหาสำคัญอย่าไปติดใจในเรื่องบวชโดยรูปแบบให้บวชที่การลดเงินบาทเห็นไหมว่าปฏิปทาของพระโพธิสัตว์เนี่งท่านลิ้งดูแม่ซึ่งเป็นเทพเจ้าภายในเรือนเป็นพระหัรของลูกสำรวอกวาตายแล้วก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี่คือคกุศลกรรมนะครับทีนี้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องหนึง แต่ถ้าเราจะศึกษาประวัติพระพุทธเจ้านั้นต้องเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ต้องเชื่อเรื่องสังสารวัฏต้องเชื่อเรื่องกฎของกรรมเพราะนั้นคือเรื่องเขาเรียกวัฏกามีกุศลการสร้างบารมีนั้นเป็นกุศลกองแห่งกุศลระดับเพื่อตกแต่งภบชาติในประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนมีบารมีแก่กล้าแล้วก็จัสร้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งผ่านขั้นตอนอีกเป็ น, น, นเอเนกนัน์ ตัวอย่างจึงในที่นี้ก็คือเรื่องของการสนุกคุณของพ่อแม่แล้วก็มีใจเผื่อแผ่ถึงคนอื่นในขณะที่ตัวเองรอดพ้นจากความทุกข์ก็นึกสงสารคนที่กำลังประสบความทุกข์แล้วก็คฝยฝันที่จะแบ่งเบาความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นกัคนเรานน้นเป็นปฏิปทาหลักอย่างหนึ่งของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายั้งฟังเทาไ แต่รูประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมต้องมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทั่วกันสวัสดี